ว่าทั้งเรื่องทีเลตตัวหนึ่งซึ่งเราทั้งหลายพากันรู้จักกันอยู่เคยได้ยินชื่อมันอยู่ชื่อเรียกว่ามารตามบาลีพุทธเจ้าท่านปฏิเทศสนา่าจิเตนะวันยิตาตดตามารตัาพิศเยละตา เ น, นกระชาทิสังสลังสันธาทิสังอดีตอวิดิงสุแสเนื้อควมในพระคาถาที่ท่านแสดงนั่นว่าจิตรลอกลวงจัดว์ทั้งหลายจึงค่อ ย, ยินดีตาวิสัยของมารทันว่างนนะเส น, นกระชาทิสังสลัง จึงค่อยเกิดเกิดตายตายในสงสารนับไม่วนนี่ท่านแสดงถึงเรื่องธรรมะที่อธิบายที่จะอธิบายในวันนี้ทันทาวิสังอดีตอวีดิงสุหลงแล้วไปตามวิสัยของมาน อันมาร์มานีาน่ใครก็รู้จักทุกคนอะใกล้ๆก็รู้จักมาทุกคนเดชชื่อของมันแต่ยากที่จะรู้จักตัวมารทำไมจึงเราจึงเรียกว่ามารพูดกันรู้ทุกคนจิตก็จิตปากเลยเอาเป็เรื่องมาร น, นะถ้าห่างไปยุ่งขึ้นมาแล้วกับมารมากวนแต่เขาวัดบางคำจ้ำจิตก็ไม่ได้แต่ทำการทำงานได้กั ลูกกกันหลานมายุ่งเขาเรียกว่ามารแต่ทําบนญต้นทานในต่างๆเรื่องทรัพย์กรเขาเรียกว่ามารคือเราฟังได้เพียงเพื่นเมื่อผู้ได้เจ้ า, มาเมื่อเจตัสรูเป็นผู้ไ ด, ได้เจ้าต้องไปจนมารเอาจนชนะมารแล้วจึงค่อยจตัสลูเป็นผู้ได้เจ้าแล้วก็เลยจับเอาคํานั้นแหละมาพูดกัน สิ่งใดที่เป็นเครื่องคัดของหรือกีดขวางมาให้เรารุง่งหรือทำคุณงามความดีได้เรียกมารเข้าใจ ง, ง่ายเพียงแค่นี้แต่ในคาถาที่ว่านี้นั้นไม่ได้หมายทั้งเรื่องนั้นลึกเข้าไปกว่า น, นั้นอีกไม่ได้หมายทั้งเรื่องคนอื่นคาว่ามาในที่นี้จิตเจนะวันยิตตาสต้าจิตหลอกลวงจัด แล้วจึงยินดีตามวิสัยของมนนันในวันนี้ถ้าว่าจิตเลยจิตหลอกหลวงสัตย์เลยคำว่าสัตย์คือมนุษย์สัตว์ทั้งหลายเขาเรียกว่าคําว่าสัตว์นี่กันยังไม่ทั้งเข้าใจทั่วถึงทั้นหมดสัตย์ในที่นี้ไม่ไหมายถึงสตย์จริยารรมเฉพาะสัตยจริยธรเท่านั้นสัตย์นั่นหมายตั้งแต่ บรรดาผู้ที่ยังไม่ได้พ้นจากทุกข์ม่ถึงความกเกษมสุขคือปณิพนานเรียกว่าอย่างของอยู่ในจิเลธทั้งหลายท่านเรียกว่าสัตว์ทั้งนั้นโดยัณห์คำว่าสัตว์นี้เป็นเราพวกเราพากันดูถูกพวกสัตว์ต่างๆมีสุนัขในเรื่องหัวควายเป็นต้นแล้วด่าเขา เราพูดท่าสำทับเขา s อ t u r d a y c h a อย่านนั้นี่เพูดคนไอเราที่พูดเขาท่านละหากว่าเราไม่พอใจคนไหนได้ต่ อ, อพูดสำทับเขาคน น, นั่ น, น, นเ น, เนอะ Saturday c นน n Airpate a i r s ความเป็นจริงตัวเราแอ่อันที่ไปโกรธเขานี่ตัว Saturday เนี่ยคือไปคล้องอยู่กับผมโกรธผมเกลียดผมรักความชัง พ็พอใจไม่พอใจยินดียินได้แต่ว่าเรายังมีอยู่เราก็เป็นสัตว์เหมือนกันนีเพิ่งเข้าใจธรรมะธรรมสอนพระเจ้าให้เข้าใจอย่างนี้ถ้าหากเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราจะได้ระมัดระวังตัวเองให้จะได้แก้ไขตนเองเห็นนั้นคำว่าสัตว์ในพระคาถาที่พระเดชจ้าวท่าสสาธเทศนาไว้ดังอธิบายมานี้นั้น จิตเจนะี่มันตตจิตตังจิตตังจิตหล อ, อกลวงตัดคือตัวเรานี่เองไม่ใช่อื่นไกลค้า่าหล อ, อกลวงไอ้ที่นี่เนี่ยแล้วก็พากันรู้จักกันแล้วเขามาหล อ, อกลวงคือให้เข้าใจผิดหลงผิดเช่นเราเป็ น, ลออนห ล, ห อ, ล อ, อกคนให้กลัวผีหรือว่าหลอกคนนี่กลัวเสือ ทำนองนั่นเราทําให้เสียงหุกห่าห้เป็นเหมือนกับเสียงเสือให้เขากลัวเสือทำอะไรดังคว่ำคว่ของคําให้เขากลัวผีว่าผีหลอกความ่จริงนั่นเราเป็นคนหลอกให้เขากลัวอันนี้คําว่าหลอกคำว่ า, าลวงลวงสัดอันนี้หลอกกับลวงคล้ายๆกัน หลอกเพื่อให้เขาตกอกตกใจลวงได้นคือข้าให้เขาเข้าใจผิดลวงได้ให้เขาเข้าใจผิดเรียกว่าลวงหลอกให้เขาทําให้เขาตกใจลวง ใ, ให้เข้าใจผิดอย่างมานจิตมันลวงเราหลอกลวงให้ให้เราเข้าใจผิดคิดผิดหลงผิดคิดยังไง ให้เข้าใจผิดว่าตัวของเราเกิดขึ้นมาเป็นทุกข์ก็เลยให้เข้าใจว่าเป็นสุขตัวของเราเกิดขึ้นมาเป็นของในเที่ยงให้เข้าใจเป็นของเที่ยงตัวของเราเกิดขึ้นมาเป็นของปติภูนิโสโคกอย่างที่เราพากันสวดกันอยู่นิวรัติงกาเยเกสะลงมาและขาททางตาตะเจวเรียกว่าของโสโครกนั้น เข้าใจว่าตัวขงเราโคตสวยโคตรงามนี่พอ้าใจผิดอย่างนี้มันลวงอย่างนี้ทุกจิตมันลวงให้เข้าใจาเป็นของสุขจิตนี่มันเป็นของหลอกลวงเราเองจึงทําให้เราหลงมัวเมาประมาณไม่รู้จักจบจักสิน้นจิเลศเรียกว่าจิเลสศมาน ว่าถึงเรื่องมารนั้นท่านแยกไปหลายประเภทขันธมาคือตัวของเราใจจกตตัวของเรานี่แหละเป็นขันธมามารคือไม่เบียดเบียนพูดกันง่ายๆว่าเบียดเบียนท่านเบียดเบียนนี่ก็จีดการความเจริญก้าวหน้าและทำความสุขความเจริญให้แก่ตนทุกคนต้องการความสุขความสบายแต่เราอาศัยขันอยู่ คือรูปกายนี้มันไม่ให้ความสุขแก่เราเลยเราจะทนุทะนอ้อมบำรุงบมเลยอยประการาต่างๆมั่นก่อนเพียงแค่นา้นน่ะต้องแก่ค้มเท่าต้อเจ็บค้มป่วยควมไม่อยู่ดีสบายมั่นก็เข้ามาเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาอันนี้เรียกว่าขันธมารมันเบียดเบียนไม่ให้เราไดความสุขเราจะได้ความสุขแต่มันมาเหตุเราได้ความสุข แล้วอยากจะศึกษาสินเมชะภาวนาเดียวเจ็บป่วยไม่อยู่ในสบายเป็นเหตุให้เราคัดขอ้อท่านจะเรียกว่ามารอันนี้เรียกว่าขันธมารคิเลสตมานได้แก่คิเลสคือความโรคปวดหลงอย่างอธิบายตะกี้นี้อยู่ในพวกกิเลสตมานอธิบายตะกี้นี้อยู่ในพวกคิเลสตมา คือว่าจิตหลอกลวงเราให้เราหลงไหลเรื่องประการาต่างๆหลงทุกอ์วัตรุขหลงของไม่ดีว่าเป็นของดีหลงของไม่สวยไมางามวเป็นของสวยสวยงามของไม่เที่ยงวอาเป็นของเที่ยงอันนี้เรียกเรียกภุมิิดเรียกคิดเลสมานอาพิสังขาวลมานเทวบุตระมาน เจ้าบุตรมานั้นพูดทั้งเรื่องผู้ที่เจริญฌานสมาธิสมบัติผู้ทีเจริญฌานสมาธิสมบัติโดยมากท่านมีความมุ่งต้องการอยากจะพ้นจากทุกข์แต่ว่าเจ้าบุตรมานั้นเครื่องปราถนาสุขจิตมันปราถนาสุขมันเลยเป็นอุปสรรคด้วยเป็นขัดเครื่องขัดของไม่พ้นจากทุกข์ได้ฉะนนท่านจะเรียกประมาณเจ้าบุตรมาน คืออยากจะเป็นเทพบุตรเทวดาบีนอยู่มีคมนั่นเองอย่างในคสุกนั่นเองเลยเป็นมานของมรรคผลนิพพานอันนี้เรียกว่าเทวบุตรมานอาทิสังขารมารปรุงแต่งให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปดีแล้วก็อยากให้ดียิ่งขึ้นไ ป, ไปวิเศษแล้วอยากให้วิเศษยิ่งขึ้นไ ป, ไปถ้าพูดทั้งเรื่องธรรมมันสูงสุดแล้วนั้นการปรุงการแต่งไม่นี้ ดีมาถึงวางดีวางชั่วคือไม่มีบากมีบุญสมกับที่ท่านว่าบุญเนี่ยป่าปานี่เป็นหตุติผู้ที่จะพ้นจากโลกได้นะละทั้งบุญทั้งบาปการวางนั้นเพราะฉะนั้นอิสังข้าระมานจึงว่เป็นเครื่องจีบกัน มัดผลนิพพานคือคามต้นขนาดทุกท่า น, นี้ว่าทั้งเรื่องมารขัมถามารขีดิษฐานมารเทพบุตรมารที่ทั้งคารมานแล้วยังอีกมัดจิวมานคือความตายความตายก็จัดเป็นมาร น, น, นึ่งบางคนต้องการอยากจะมีอายุยืนนานแต่ยมาความตายมาตัดรอนเสียทนนี้ท่านจะเรียกว่ามารพูดกันง่ายๆนั่นเรียกว่ามาร น, นั่นคือเบียดเบียน จีดกันไม่ทําความเจริญงอกงามขึ้นไปได้หรือไม่ให้ได้ตามความมุ่งมา่นปรารถนาที่ตนมุ่งไว้อันจะเรียกว่ามารอันนี้คืออธิบายมารห่าให้ฟังแทรกเข้าใจให้รู้จักรู้จักชื่อมันแล้วให้รู้จักตัวมันให้รู้จักตัวมารที่จะอธิบายนี่อธิบายโดยเฉพาะทั้งเรื่องจิตสมาลให้เข้ากับ ทำที่ว่าจิตเจนวันจิตตังจิตตังจักตางมาแลแ้วายวิเยษแล้วกาจิตหลอกลวงจัดให้ลุ่มหลงแล้วยินดีตามวิสัยของมาให้ลุ่มหลงอย่างไหนอ่ะลองคิดดูสิคนเราเมื่อจิตหลอกลวงนั่งอธิบายมาในเบื้องต้น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 กระหายเหิ้ยวหวยด้วยประการต่างๆทุกครอบครัวทะเยอทยานดินโลนเจือสนด้วยประการต่างๆแต่หากว่าจิตเป็นหลอกแล้วมันเข้าใจวเป็นสุขลองคิดดูดูใครก็เคยถูกคิดหลอกมาแล้วทุกคนอนะ่ะพอเกิดขึ้นมาท่านี่แหละเป็นคนนะแหมมันดีอกดีใจเป็นหญิงเป็นชายเป็นหนุ่มเป็นสาวดีอกดีใจซะทุกคน้็ตนได้ของดีของดี หลายเมื่ออยู่ในความมัวเมาของจิเลสคือความไข้ความยินดีนยินดีคือความไข้ในรูปของต น, นยินดีกับรูปของตนบางคนแทนเจตจิเลศทีหล้ายแต่ก็นในความยินดีของตนว่าตนสวยสดงดงามสดุดคนอื่นสู้ตนไม่ได้อย่างนี้เป็นตนอันนี้เรียกว่ายิ่งใสยินดีแล้วตามวิ่งใสเของมา คันถ้าหากว่าเรายินดีพอใจในรูปของตนาานะคันจะยืนจะเดินจะเห้นจะไปจะมาที่ไหนที่ไหนจะดูว่าเขาจะมองเราคนเดียวเห็นเขามองไม่ทรบเขาจะมองแง่ดีแง่ร้ายกัไหมทราบเขาเกลียดน้ำหนากต่ยังเข้าใจว่าเขาชอบเขารักตน อ, อยู่จนขนาดนี้เรียกว่ายินดีตามวิสัยเข้ามา เนี่ยมารมันจิตมันหลอกจิตมันหลอกหลวงแล้วก็เลยยินดีตามวิสัยของมารทางทางที่ตนแก่ทุกวันท้งที่ตนเองก็เจ็บไข้ได้ป่วยทุกวันคนทุกข์ทรมานเสวยบาปอยแต่ก็ยังยินดีพอใจในขันธมามันคือตัวขันนั้นนี่แต่ว่ายินดีพอใจกับขันธ์ามัน นั่อธิบายให้ฟังมาตะกี้นี่ว่าขันหา่าคือรูปเวธนาสัญญาทางขานนิยา น, นี้เรียวกว่เป็นตัวมาแทนที่จะเห็นโทษภัยและเบื่อหน่ายนี่ยแต่ภาพร่างกายที่เกิดขึ้นมาเป็นของไม่ดีในานามเรียกเป็นของทุบอเล็กกลับคอยยินดีไปตามอันนี้เรียกว่ายินดีตามที่ใสของมาอย่างเลวากางเข้าไปเพลินนั่นอีกความเทย์เยอ่อเทยานดิ้นหล่น เพราะจิตมันหลอกอยากได้นู่นอยากได้นี่ถ้าหักหลงกายแล้วก็เป็นเรื่องจริงที่จะต้องหลอกไปเรื่อยๆไปแล้วยินดีในกายแล้วก็จะต้องหาเรื่องบำรุงบำรเลอรกายรักษากายบริหารกายหาเครื่องตกแต่งให้สดสวยงดงามเรื่องนนประการต่างๆอนี้ยังความที่ทะเยอทะยานดินด้นรน อาการที่ทะเยอทะ ย, ยานดิ้นรนเสือยสนหาของบม่มลงกายแทนที่จะเห็นว่าเป็นโทษครับคอยยินดีครับว่าเป็นเรื่องสนุกสนานจะลองคิดดูคนเราที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้อาชีพทุกวิถีทางที่เราสแสวงหาทำด้วยความเพลินทำด้วยความดีใจทำด้วยความมัวเมา ทุกทุกวิธีทานก็เนื่องจากว่าถู ก, กจิตหลอกจึงได้ยินดีจากวิสัยของมนันพระพุทเจ้าท่างการเทศนาไว้นธรรมต่างๆที่ท่านเรียกว่าเสนามาณคือบ่วงของมารและเสนามานคอยดัจกจับเอาคนเราให้เป็นหลงให้ไปติดอยู่ คล้ายๆเราหลงจิตกับของวิเศษของมันมันดักเยอะทางตามันดักเยอะทางหูมันดักเยอะทางจ ม, ม, มูกทางลิ้นทางกายทางใจตานั้นถ้าหากไปมองสิ่งใดแล้วถ้าเกิดความรักความชอบใจขึ้นมาในสิ่งนั้นติดพวกติตใจในสิ่งนั้นแยกว่าติดกับของมานทางรูป หูได้ยินจริงใดถ้ามันเพาะชอบอบชอบใจยินดีในเรื่องเสียงก็เรียกว่าจิตเป็นจิตกลับของมานอยู่ทางหูจมูกถูกกินสิ่งที่หอมหวยทำให้ละลื่นชื่นใจอยากได้ จิตใจชอบในเรื่องนั้นจะเรียกว่าติดกับค้องมานรถก็เหมือนกันถ้าไปได้สําผัดรถอะไรที่ลี่นปากดขึ้นมาชอบบอกเข้าใจคิดถึงเรื่องนั้นไม่เล้ยวไม่รู้แล้วรู้หาอยใกไกยุกไก เน้นราคาถูกแข่งเฉยจะต้องสแสวงหามาบำรุงบำลุงเค่แค่ลิ้นนิดเดียวต้องคิดคิดดูรถที่ปากปวดที่ลน่ะนิดเดียวแท้ๆแต่เมืเราสแสวงหาเส้นยากลำบากราคาจะมมกน้อยจะเฉยไม่จะได้เพราะจะติดกับของมาน คือตรงรีบตรงรถของรีดนั่นเองที่ตากดจมานี้เรื่องนี้จึงเคยเล่าให้ฟังมีแม่ชีคนหนึ่งคนหมอนทเล่าให้ฟังแม่ชีคนนั้นจเจ๋งจริงจะรู้จักว่าเจติดกับของมานเคยติดมาแล้วถ้าวันไหนจะชอบอาหารเจอยากอาหาร หิวมากวันนี้มันอยากเนื้ออยากปลาแกไม่เอาทางเขา้าร์เบไฮเดรตพิกพอไปทางชีวิตเนี่ยเป็นแปลแล้ววันนัน้ถ้าวันไหนแกอยู่เฉยไม่นึกอยากเนื้ออยากปลาวันนั้นแกก็หามาให้มันทานก็เรียกว่าแกตามทันตามรูปตัวมารพอได้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 อะไรให้มันถูกกล้องร่างกายแล้วมันชอบเอาเข้าใจอาจารย์กับติดอยู่เหมือนกันยินดีพอใจแล้วลึกคิดได้คิดถึงอยู่เสมอนิ่งใจจะแล้วนิ่งไปกันใหญ่นึกชอบอะไรนึกพอใจในสิ่งใดเธอใจเธอติดชอบในเรื่องนั้นแต่ที่ท่านแสดงถึงเรื่อง ลับเข้ามาในเทียงหา่าคือตาหูจมูกลิ้นกายในรูปเจ้งกินรดพดชื่อคิดดูที่เราพวกเรามานมันดักกลับไปลอบตัวเราเราเลยนอนนิ่งเฉยไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยเลยไม่ทราบว่าจิตตรงไหนตัวตรงไหนแล้วล่ะพวกเรา ไม่ได้อยู่ที่อื่นคิตหลอกลวมสวงเราแล้วเราก็ติดกลับของมานแล้วก็ยินดีในวิสัยของมันเสียด้วยพอใจที่สุด mm hmm. ท่านแสดงว่ายินดีพอใจในวิสัยของมาน mm hmm. คนภาวนาเป็นที่จะรู้โุกรู้เรื่อง mm hmm. ท่านจะแสดงไว้ผู้ที่ท่านภาวนาเป็น รถอาหารถ้าหากว่าท่านมีความรู้สึกนึกคิดได้พิจารณาเห็นโทษมันแล้วท่านดุวงพ่มาเรียไปอย่างนี้เหมือนกันก็นกนว่าแม่ลูกอ่อนเดินทางไกลไปสุดเขตกันดารอาหารจะรับประทานก็ไม่มีถ้าหากว่าเราไม่กิน ไม่มีอาหารกินเราจะต้องตายหมดแล้วอาหารเราตายจะเอาเอาที่ไหนมากินมองไปมองมาเรามองเห็นแต่รูปอ่อนที่อยู่ในอกอาหารนี่ไอถ้าหากเราไม่กินอาหารเราคือจตายวันพรุ่งนี้มือลืนลูกก็จะต้องตายด้วยถ้าไมงไงกันเอาลูกอยู่ในอกก็จะมากินใชเราจะไดงนย่งยืนไปสี่ห้าวันต่อไปโยกลงนั่น แม่ลูกอ่อนค น, นนั้นอ่ะเอาลูกในอกของตอนมากินเป็นอาหารเพื่อจะมีชีวิตนานต่อไปอีกเพจะได้ข้ามด่านกันด่านกันได้แล้วถ้าอธิบายบอกวา่าลองคิดดูไม่ลูกอ่อนนั่งกินลูกของตอนเองนั่นมันจะอร ե อร่อยสากเท่าไหร่ทางความรักลูกก็รักเย็นดูลูกก็เย็นดู ทั้งเสียดายชีวิตจนกระตังเสียดายแต่หากไม่กินเราก็จะต้องตายลูกก็จะต้องตายกินเน้อาหารเพื่อประทังยังชีวิตน่ะเปิดไปจะได้เพื่อจะได้ข้ามด่านกันไดน้ท่านหลพมาเปรียบเนี่ยใบยอย่างนี้เหตุในเนนใ น, นวั่งอาหารทั้งนอนในทางธรรมะพรนะเพุทธเจ้าน่ะจะเวทแพทย์ยาอาหารคือฉันอาหารพอเป็นยาพารมัด ถ้าหาผู้เห็นโทษของอาหารแล้วแน่นอนที่สุดที่จะต้องขันอาหารเพื่อเปัญยาพละมัติถ้าไม่ขันก็ห้อยหิวถ้าขันเธอะหากว่าเราเป็นหลงรดของอาหารจิตโลกของอาหารก็จะเป็นกิเลสเกิดขึ้นมาอาหารเน่ยเลยกลายเป็นผิดคือเป็นตัวกิเลสให้จิตชอบอกโซ่ใจ เห็นนั้นท่านผู้มีปัญญาท่านพิจารณาอาหารให้เหตุเป็นได้เพียงแต่ว่าเป็นยาประมาทนั่นจะยังประทางชีวิตให้เป็นไปได้ในวันหนึ่งวันหนึ่งแต่ไม่ใช่ยังประทางชีวิตให้เป็นไปเท่านั้นชีวิตยังมีอยู่ตราบใดเราจะยังได้สร้างคุณงามควาดีไม่ใช่ว่าเราจะยังชีวิตให้มีอายุยืนนานอย่างเดียวถ้าหาผู้ประมาทล้วยังอยง า, น า, นายุยืนนานกลัวตายอยากจะบำรุงอาหารในสุขภาพหม่ดี อันนั้นเป็นเรื่องของคนเมาผู้ที่เข้าใจในะเรื่องธรรมะที่จะนาเห็นทั้งฐานทั้งกายเป็นภัยอันตรายและเห็นชีวิตเป็นของมันมีค่าแต่เป็นการจําเป็นที่เจะต้องอาศัยมันจึงต้องฉันอาหารได้กินอาหารทานอาหารเพื่อ ย, อยังประทานชีวิตใหนะ้เป็นไปแล้วจะได้สร้างคุณงามควาดีถ้ามันตลอดรอดฝั่งเพราะคุณงามควาดีน่อยยังไม่เพียงพอ ใใคล้ายๆกันก็ว่าเรายาเรือเพื่อให้ข้ามฝั่งฝากพ้นปากนูน้นถ้าไม่ยาเรือไม่เจะรั่วลมจมในกลางน้ําตายเรือก็จะเสียหายคนก็จะต้องตายเพราะฉะนั้นเรียบรีบยาใชเยี่ยวยาพาอยังไงก็พอไหวไปพอไปตลอดเ่าฝั่งถึงฝั่งนูน้นถ้าหากผููมีปัญญาพิจารณาอย่างนี้ อาหารมาเป็นไัยครับอาหารเป็นยาฤกี์ผู้ที่ท่านมีปัญญาพิจารณาเห็นอย่างนั้นแล้วท่านแข็งเหลียกคุณจะเกตตางเป็นนาบุญของโลกชาวโลกผู้ใดได้ทําบุญกับท่านผู้เป็นเช่นนั้นได้บุญนักหนาดีกว่าที่ไปทําบุญกับคนมัวหมองประมาณคือให้ทานคนมัวหมองประมาท กินแล้วเมนูจักอิ่มจะพอกินแล้วไปติดรสอาหารชอบอ้อะชอบแข็งรสอาหารไม่คุมค่าถ้าหากเป็นปฏิขาหกผู้ที่รับทานอาหารเช่นนั้นท่านเรียกว่ายัางเป็นหนี้เป็นสินอยู่สมายโบราณพวกเราก็พันเคยได้ยินคนที่บวชในรุ่นนั้นคนเท่าขงแจดังเคยเล่าว่า ถ้าหาก็่าบวชมาเป็นพระเป็นเนนฉันอาหารชาวบ้านโดยที่ไม่พิจารณาไปที่สังขยกตายเป็นควพื่อเป็นนี่ครัสมกับความแยแคร์ที่บาปจะกินเีงคือเป็นนี่เป็นศิลป์พอกินแล้วไปติตรสอาหารฉันเลยอาจทานเป็นติดรสอาหารมัวเมาไม่ใช่กินเพื่อบรรเทาทุกข์ แล้วเพื่อจะได้สร้างคุณงามนคนดีให้ไปตลอดรอดฟั่งนี่ความที่ว่ายินดีตามวิสัยของมารนมันต้องเป็นอย่างนี้วิสัยมันเป็นหน่วย ง, งานของมารอันนี้คำว่ามาร5หรากรดังอธิบายมาแล้วกับของมารก็บ่วงของมารนถ้าหาคู่ไดไปติดอยู่ในวิสัยของมาร์นห่า การนี้คือว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัทธะหรือตาหูจมูกลิ้นปลายเนี่ยก็เป็นจิตอยู่ในวิสัยของมานจิตบ่วงของมานไปมัลจะรอดฟัง่งท่างแสดงแต่ละอเนกชาที่สังทันฐานอนเนกชาที่สังทันฐาน มีการเกิดการเจการเจ็บ ก, การตายนับไม่ถวนอเ น, นกชาติสังฆาลังเวียนว่ายใต้เกิดนับไม่มีที่ไม่ถวนไม่มีที่สิ้นที่สุดทันวันะแน่นอนที่สุดถ้าหากกิเลสนี้อยู่แล้วไม่มีวันทาพคนจากทุกเลย่ยจะต้องเวียนว่ายใต้เกิดนี้ตลอดเวลา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 จิตของเราไปเชื่อยังไม่ได้กัอนเรานั่นจ้างอาศัยปัญญาสิถ้าไม่มีปัญญาไม่รู้จักผิดจกถูกไม่รู้จักชื่อจกดีไม่รู้จักการหลอกลวงหรือจริงของจริง ก, ไกงง็ไม่รู้จักของเท็จก็ไม่รู้จักของเท็จของเทียมไม่รู้จักนัะจ้างอาศัยปัญญาปัญญาจะเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยความสงบ อาศัยความสงบอาศัยการฟังเพื่ออธิบายฝั่งนี้แหละให้เข้าใจทั้งเรื่องธรรมะที่พระพุทธเจ้าทำตรรกะศสนาไว้แล้วก็ทําความสงบจิตให้ถึงสมาธิจิตถึงสมาธิเราจะเห็นชัดเฉียดเรื่องการรวงของจิตจิตมันเป็นสมาธิแล้วมันไม่ลวงเลยผ่านนี้มันตรงไปตรงมาเลย ถ้าจิตไม่ไม่เป็นสมาธิหลอกลวงแล้วตลอดเวลาให้เรารุ่มหลงโมมอยตลอดเวลาถ้าจิตเป็นสมาธิแล้วสงบแล้วอาการหลอกลวงไม่มีจิตกลงไปกลงมาจิงจะถึงสัจธรรมเห็นทุกข์เป็นทุกข์จริงๆเห็นความสงบเป็นสุขจริงๆเห็นความทะเยอทะยานนี่ลนไปการเดือดร้อนแท่ทีเดียว ที่เรียกว่าสัรหากามะสรหาเพราะว่าสรหายเพราะว่าสรหาความค่าความพอใจอยินดีทรลุปเป็นกิโนพุทธะเป็นความเดือดร้อนถ้าคิดไม่ใช่มไม่รู้จากความเดือดร้อนคือความใค่ความพอใจกับรูปไม่ว่ารูปตนรูปคนอื่นนะลูปจริงอื่นอะไรทั้งฟองวัด่ะมันร้อนหนิยัง ถ้าเกิดความไข่ความพอใจยินดีขึ้นมาแล้วเกิดความร้อ น, อนวูบมากขึ้นมาเลยแค่นั้นเรียกว่ากาม ร, ารวิธิฐานภาวะตัณหาความดิ้นล้นอยากเป็นอยากเป็นนั่นเป็นนี้วูบขึ้นมาเหมือนกันร้อนลูบขึ้นมาเหมือนกันเพราะว่าอยากไกนั่นแหละลองคิดดูดิแล้วอยู่เฉยๆเนี่ยถ้าหากเรามีจิตเป็นัสงบเป็นสมาธิแล้วเย็นสบายสงบไปแล้วไม่มีอะไร ถ้ามีความอยากขึ้นมาอยากเป็นนันน่นอยากเป็นนี่นนนบุบขึ้นมาเลยรอ้อนผู้บาดขึ้นมาครับถ้าไม่อยากเป็นอีกละ่ะอยากไม่เป็นคือไม่อยากเป็นนั่นเองว่าพูดง่ายๆก็เรียกว่าไม่อยากเป็นอะไรทั้งหมดเขาเป็นแล้วก็ไมอยากเป็นอย่างเขาถ้าไม่ได้ก็ไมอยากมีอย่างเขาก็เป็นคนร้อนเหมือนกัน นี่เรียกว่าตัณหาเป็นเครืทะเยอทะยานตัณหาคือความทะเยอทะยานพูดกันง่ายๆมันไม่อยู่คงที่นั่นเองถ้าคิดสงบรู้เรื่อง ร, รู้เรื่องตัณหาถ้าหาเ ง, งี้ยว่ามันรู้เรื่องตัณหาแล้วที่เรนนี่เองนี่จะไปรู้เลยให้รู้ตัวตัณหาไะก่อนคือความทะเยอทะยานไปก่อนความทะเยอทะยานเกิดขึ้นมาเนอะนั่นเนี่ยเป็นตัวที่เรน เป็เ่องร้อนบู้บาขมาันเราพยายามหน้ามูนีหละ่ะพยายามไม่เห็นตัวมูนีละ่ะถ้าไราเห็นตัวก็ละไม่ได้ไม่เห็นเท่าก็ไม่จริงมันก็ไม่เบื่อหน่ายไม่มีการเบื่อหน่ายไม่มีการคนจากมันถ้าไม่เบื่อหนายมันก็ไปยินดีกับสัณหามันก็เป็นมันก็อยู่ในวิสัยข้อมานอีกะ่ะยินดีกับวิสัยข้อมนอันดีเนี่ยพระเดจเจ้าท่านสอนให้เรารู้เรื่องเสนี้ย์ เรามาทำทานมาลกาศินมาจเจริญเมตตาภาวนาทำกรรมฐานไม่ใช่อื่นไกลเลยต้องการหน้ากิเลสมือนี้แะให้รู้จักตัวมารไม่ให้ยินดีตามใสของมารเพื่อจะเป็นการแฉมละมารแล้วให้พ้นจากกองทุกทำทานต้องคิดดูสิเราเป็นคนยอมตละ มีไในลักษณะลงไปถ้ามีอยู่ปรากฏอยู่แล้วนั้นก็เป็นกังวลและห่วงในเรื่องนั้นพอลักษะพบุบพับลงไปหมดห่วงยังเหลือแด่ผลคือความดีคือความดีใจความอิ่มใจผลของการสละเนี่ยในการสละผลของอะไรถ้าหากว่ามันมีปรากฏอยู่แล้ว เป็นพระวัาโนห่วงใหญ่ในเรื่องนั้นชอบเอาเข้าใจยินดีเอาล่ะไม่ใช่อื่นใจอรและเราิคิดดนีนแล้วัอย่างง่ายที่เราได้เนื้อได้ปลามาสักกิโลสองกิโลเนี่ยห่วงได้ลรอเอาไว้ไหนก็กลัวหนูกลัวแมวจะกินนี่เราคิดคิดดสิถ้าเราไปทำอาหารเลยทำบนทาทานให้เดกกินจ้ะแ้หา ย, าา ย, ยไม่ดไปไหนกลงม เท่านี้แเราก็เห็นแค่เดียวแล้วถ้าวัตถุจริงอื่นก็อย่างเดียวกันตามฐานะและตามความห่วงเป็นไปตามแนวไปตามนิสัยของมันเหตุ น, นั้นการทําทานจึงเรียกว่าเป็นการสละคือว่าเพื่อสละความห่วงไม่ให้มันหลงตามนิสัยของมัน ยินดีตามวิสัยเท่านั้นอย่าให้จิตไปหลอกลวงการรักษาศีลก็เช่นเดียวกันรางงดเว้นเด็กคนชั่วที่เราเคยประพฤติอยู่ก็ดีหรือเรายัางไม่เคยประพฤติก็ดีเรากําลังประพฤติเดี๋ยวนี้นะ่ะคนชั่วต่งางๆเช่นว่าฆ่ากัดลักฆ่าประพฤติจิตใช่อาจารย์เรากําลังทําะไรอยู่สัวันนี้กล่าวของพระพุาาทธสาวาเดิมเท่อย่ามา ถ้าหากเราไม่เห็นเรื่องทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นโทษไม่ดีนี่นามันก็ร้อ น, น, นคือมาไปไงจิตใจของเราก็ปราบปไม่สบายครันนี้เราละทิ้งละทำมาแล้วเราก็จะไม่ทำอีกหรือจะที่จะไม่ทำก็ไม่ทำแม่ทำใ่เดือนนี้เราก็จะละเลยหมดห่วงสบายเย็นเลยนี่เรียกว่าเราเห็นโทษของมันยั ง, งละได้ รู้จักหน่าจากรตามันยังค่อยล่ะมันได้เห็นโทษของมันเบื่อหน่ายยังค่อยิงได้ถ้าห่ากเรายังไม่จะได้จะอยากมันอยู่ไม่ว่าเอาไวท้ทีหลังใช้ก่อนเทือาไวท้ทีหน้าใช้ก่อนเทืะอะไรในความร้อนเนี่ยค่อยทํำค่อยไปนะจ๊ะความร่านมันก็ยังมีอยูน่นะเนี่ยความพลอยความร้อนความไม่สบายใจมันก็มีอยู่นั่นเองทีนี้เราต้องการความสบายใจต้องการความเย็น ไหนจะเอาความเย็นไว้ทำไมอะ่างนั้นท่านหมดทั้งหมดเรื่องนั้นไปยิ่งท่าหมดเรื่องมันก็สบายไปนี่การรักษาจิตหมดห่วงหมดกังวลเป็นการสลัดยิ่งการชําระจิตใจธรรมดยิ่งเป็นของละเอียดอ่อนซะาดนี้จิตถ้ายงว่ า, าท่สงบตราบใดแล้วมันก็จะต้องยุ่งวุ่นเห็นท่อของความวุ่นเห็นทอขอ ง, อของไม่ส เห็นภัยในความวุ่นเห็นภัยในความไม่สงบเราจะต้องหาวิธีละทุกทุกวิธีฐานจริงใดเที่เราละได้แล้วอารมณ์ใดที่เราละได้แล้วอารมณ์นั้นก็เป็นของเย็นไปเล้วเรจะต้องรักษาไม่ให้มันกำเริบเปลี่ยนขึ้นมาอีกสิ่งนั่นไม่ใช่ว่าลาแล้วเราทิ้งแล้วเราไม่เอาเราไม่ต้องคํานึงขึ้นมาอีกอันนันไม่ได้ อาจาสามารถที่จะพื้นฟูกกลับขึ้มายิ่งงายกว่าเก่าได้ความโลภความโกรธเกิดขึ้นมาเราเห็นโทษเรา ล, ละมันได้ชนะมันแล้วที่หลังแล้วปล่อยละไม่ต้องละไม่ต้องคำหนึ่งคิดถึงมันแล้วเรื่องทั้งหลายน้ไม่ต้องพิจารณาอีกแล้วไม่ได้มันกลายมาที่หลังยิ่งจะไลย ก, ยกับกว่าเก่าเจบุคคน เขาพูดได้ยาวนักประเทศสนาว่าเสื่อมได้เหมือนกันถ้าไม่คิดถึงจิตไม่พิคคำหนึงถึงจิตไม่ปรารบถึงจิตที่เราลาแล้วเสื่อมได้เหมือนกันความที่คิดเกียดคิดข้านไม่พยายามทำงานทาความเพียรทิศต่อมันก็เสื่อมได้เหมือนกันการคลุกคีด้วย หมูด้วยอนะหรือประกอบการงานยินดีกับการํำงานเชื่อมได้เหมือนกันผู้ที่ได้เจกบุคคลถึงแม้จะเป็นพระเดชเจ้าก็ตามแันตนเชื่อมได้เหตุนั้นถึงแม้ว่าจะละได้มากได้น้อยก็อย่าได้ไปทอดทิ้ง เรื่องที่เราดําเนินมาแล้วมันละได้โดวยวิธีนี้อย่างนี้แล้วก็พิจารณาอยู่อย่างนั้นดําเนินอยู่อย่างนั้นอย่าทอดทิ้งทิ่งที่เราละได้แล้ว เ, เราจะต้องเอามาปราลบันไปคิดพิจารณาอยู่ตลอดเวลาอันนี้โทษาาโทำให้เห็นโทษเห็นภัยของมันเป็นของนาเบอร์หน่ายอยันนี้อันนี้แล้วเราก็จะต้องปราลบนั่นแนวนั้นอยู่ตลอดเวลาถึงจะละได้น้อยได้มากก็ยังเป็นคุณประโยชน์ หากว่าเราไม่คํานึงและไม่คิดถึงเรื่องอ น, นั้นไม่เอาเรื่องเรน้ำปลาลบอีกเราทําแล้วทิ้งเลยละแล้วทิ้งเลยไม่เอาอะไรอีกอันนั้นใช้ไม่ได้เสื่อมได้เหมือนกันนี่แหละอธิบายมาทั้งเรื่องคิดหลอกสัดว์คือตัวเรามีในอธิบายมาโดยอธิโดยลาดับอธิบายมันเนี่ยถ้าหากมันหลอกเราแล้ว แล้วคอยเป็นยินดีกับความหลอกเขามันเีงดื้อติดในความหลอกเขามันนี้ชอบใจในความหลอกความหลงนั้นจึงเป็นเหตุให้เราเกิดแล้วตายเกิดแล้วตา ย, ตา ย, ตายนับครบนับชันไม่ถ้วเพราะฉะนั้นพระเดจเจ้ายังสอนให้เรามีสติเมื่อจะเห็นโทษเห็นภัยได้จะชำระตัวกิเลสนี้ได้หรือวไม่หลงตามวิสัยเขามันก็ต้องอาศัย ค, ความสงบเสียก่อ พอสงบแล้วจึงค่อยเห็นตัวมารไม่เห็นอุบายวิธีการหลอกลวงเขามันเราจึงไม่หลงตามวิสัยเขามันจึงจะไปนั่ทางเป็นไปบนคนจัดทุกข์อธิบายมาในธรรมะในวันนี้ก็สมควรด้วยกาวเวลาด้วยประกาศนี้